อาจารย์เมย์เราจะามหรือเปล่ามีความสงสัยก็เวลาฟังทำนี่นะครับคือไอ้ที่ว่าจิตรวมท่านาจาออ์ทำไมในพระพุทธปะว่าตอนพรานนท่นตอนนี้ท่านจะบรรลุออ่เพรอะท่านจะลัะเอ็นกายท่านจะลงออแล้วก็จิตรวมพอจิตรวมแล้วท่านก็บรรลุ แล้วทำไมมันไปเกี่ยวอะไรกับจิตรวมแล้วมันลุทำไมมันมันลุแล้วทำไมต้องจิตรวมมั้ครับมันลุจิตไม่รวมไม่ได้เลยครับถ้ามันลุมันก็รวมพอมันเวลามันมันรวมมันปล่อยเรื่องที่มันกำลังไปผูกพันอยู่เรื่องที่ผูกพันอยู่ทำให้มันติดทำให้มันมันไม่หลุด พอมันปล่อยมันก็หลุดหลุดมันก็รวมเฟังยากไม่เข้าใจมันห ม, มายถึงอัปปนาสมาธิครับคือมันเป็นสมาธิที่เกิดจากปัญญาปัญญาที่เห็นว่ากำลังทุกข์อยู่กับเรื่องนั้นเร่งนกับความอยากอยากจะบรรลุจิตก็เลยภาวะผวาวนอยู่กับ อดีตที่คือคําทํานายของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงทํานายว่าจะบรรลุภายในสามเดือนแล้นี้ก็เป็นวันสุดท้ายของสามเดือนก็ยังไม่บรรลุใกล้จะสว่างนะพยายามเพียรเต็มที่แล้วก็ใจก็อยู่ระหว่างอดีตกรรอนาคตอนาคตก็คือสามเดือนใกล้จะหมดแล้วอเลยไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมง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 อันนก็เลไม่กี่ชั่วโมองอะไรปัญญาก็พิจารณาแล้วทุกอย่างอะไรก็พิจารณาหมดแล้วแต่จิตมันก็ยังไม่ดุดไม่ปล่อยมันยังกังขาอยู่มันยังทุกอยู่ยังไม่สบายใจอยู่ก็เลยตัดสินใจว่านอนดีกว่าเหนื่อยในขณะที่กําลังจะเอ็นหลังเอ็นตัวลงนอน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 จิตก็อยากอยู่ไม่อยากตายพอพิจารณาเห็นว่ากําลังทุกข์กำลังวุ่นวายกับความกลัวตายก็พิจารณาดูว่าแล้ร่างกายนี้มันจะตายหรือไม่ตายมันก็ต้องตายสักวันหนึ่งไม่วันนี้มันก็ต้องวันวันข้างหน้าต้องมีเวลาใดเวลาหนึ่งที่มันต้องตายถ้าตอนนี้มันจะต้องตายก็อะยอมตายเสียยอมรับความจริงว่ามันต้องตาย ก็ลยหยุดความอยากอยู่หยุดความอยากไม่ตายได้พอหยุดได้จิตก็ปล่อยร่างกายจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบอันนั้นก็ขั้นหนึ่งแต่ละปัญหามันจะพอปล่อยแล้วแล้วจิตมันก็จะสงบ เ, เหมือนคุณมีปัญหากับครอบครัวนี้พอคุณปลงได้อะอะไรจะเกิดก็เกิดป๊บคุณปล่อยปั๊บคุณก็สบายใจขึ้นมา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 ความเจ็บของร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายความทุกข์มัมีสองชั้นความทุกข์กายกับความทุกข์ใจเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี้มันเกิดขึ้นทั้งสองตัวแต่คนที่มีปัญญามีสมาธินี้สามารถที่จะดับตัวที่อยู่ข้างในได้คือใจความทุกข์ใจได้ดยการด้วยการปล่อยวางความทุกข์ร่างกาย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 แต่นตาภาโสดามันยังละส่วนอื่นยังไม่ได้ส่วนที่ต้องละขั้นต่อไปก็กามารมณ์การมาราคา่ะความอยากจะเสพร่วมหลับนอนกับผู้อื่นเพราะยังไปเห็นร่างกายของผู้อื่นว่าสวยงามน่ารักลูปรหล่อเห็นแล้วก็อยากจะได้มาเป็นแฟนอยากจะร่วมหลับนอนกันก็ต้องหมั่นสอนใจให้มองให้เห็น ส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเห็นเนอาไว้ว่าต่างๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนังผิวหน้านี้ภายใต้ผิวหน้านี้ก็มีกระโหลกศรีรษะถ้าเห็นกระโหลกศรีรษะมันก็มันก็จะหายหลงการอารมณ์มันก็จะดับไปหรือเห็นโครงกระดูกของร่างของคนที่น่ารักน่าดูเลย พอเห็นโครงกระดูกมันอยู่ภายใต้ผิวหนังนี่เองร่างกายนี้ถ้าไม่มีโครงกระดูกมันก็กลายเป็นแมฆพุนไปใช่ไหมมันจะตั้งอยู่นั่งอยู่นี้ไม่ได้หรอกที่มันนั่งอยู่นี้ได้เพราะคงกระดูกโครงกระดูกเป็นเหมือนโครงสร้างของร่างกายที่ทำให้ร่างกายมันมีรูปมีร่างถ้าเอาโครงเอาคกระดูกออกจากร่างกายไปนี่มันร่างกายมันก็กลายเป็นแมฆพุนใช่ไหม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 ถ้ามันนึกถึงภาพเหล่านี้ได้มันก็จะไม่เกิดการอารมณ์ดังนั้คนที่อยากจะดับการอารมณ์นี้ต้องนึกถึงภาพเหล่านี้อยู่เรื่อยๆเขาเรียกพิจารณาอสุภะจนไม่ลืมเวลาเห็นใครปั๊บนี้เห็นอสุภะของเขาทันทีอย่างนี้เวลาเกิดการอารมณ์มันก็จะดับได้ทันทีถ้าเห็นเป็นบางครั้งบางคราวเวลาเกิดการอารมณ์บางทีมันนึกไม่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 อั น, นก็บรรลุปเป็นขั้นสองขั้นที่สองสกิดาคามีกับานาคามีปัญหาอันเดียวกันสกิดาคาเมะนี่ท่านละได้ครึ่งหนึ่งทําให้เบาบางลงบางเวลาก็เผอบางเวลาก็ไม่เผอบางบางเวลาก็ลืมบางเวลาก็ไม่ลืมเวลาเกิดอากามอารม์ถ้าไม่ลืมมันก็ดับไปถ้าเกิดแล้วลืมมันก็ ไม่ดับแต่ถ้าเป็นพระอนาคามีนี่ดับทุกข้ั้งที่มันเกิดขึ้นมาเพราะทันมียามีน้ำมาดับไปทันทุกทุกทุกเวลานาทีมันจะโผลขึ้นมาเมื่อไหร่ก็อสุภะก็โผลขึ้นมาทันทีอันนี้ก็ก็จะตัดปัญหาเรื่องของร่างกายไปได้พระอริยบุคคลขั้นที่สามนี้ ก็จะไม่มีปัญหากับร่างกายต่อไปไม่ว่าจะเป็นความเจ็บความตายหรือเรื่องของความรักความค่ยของร่างกายของผู้อื่นท่านก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมา ม, มามีร่างกายาะไม่จไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆแต่ท่านก็ยังมีกิเลสหนองเหลืออยู่ภายในจิตตัวอวิชชาตัวมานะ ตัวอัตตาตัวตนยังมีอยู่ในจิตียวก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าตัวจิตจริงๆนี้มันเป็นอะไรกันนะการพิจารณาไปก็เห็นตอนที่จิตสงบจิตคิดหยุดคิดปรุงแต่งอยู่ในสมาธิมันก็เป็นตัวรู้เฉยๆพอออกจากสมาธิมามันก็เริ่มคิดเริ่มจำมันก็คิดถึงตัวตนชื่อนั้นชื่อนี้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 แม้กระทั่งความคิดว่าตัวเรานี่มันก็เป็นแค่ความคิดใช่ั้ยถ้าเราหยุดคิดมันก็หายไปใช่ไหมให้รู้ทันตัวนี้เวลาที่มันจะมาถือตัวปั๊บมันก็ใช้ปัญญาบอก่าไม่ต้องไปถือหรอกมึงเป็นแค่ตัวรู้ให้รู้เฉยเฉยไม่ต้องไปอวดเบ่งอวดเก่งไม่ต้องไป คล้ายๆว่าไปเอาตัวตนออกไปยันกันเนีฮะมันไม่มีม็นความหลงที่พาให้เราเอาตัวตนออกไปยันกันกูเป็นตำรวจวหมกูเป็นนู่นไหมกูเป็นนี่ไหมบางทีมันเป็นแค่ตัวรู้แล้วถูกตัวสังขารความคิดปรุงแต่งมันหลอกไปนั่นเองหลอกให้หลงต่างว่าเป็นนู่นเป็นนี่ไปแล้วมันก็ไปทุกข์กับตัวตนนี่เวลาถ่ายเขาไม่ให้ ความท้อลบเราก็โกรธเขาเสียใจอะไรทั้งน เ, เวลาใครดูถูกดูแพงก็เสีย อ, อกเสียใจมันก็จะตัดไปเรื่อยๆครัอาจารย์เวลาเราเราพิจารณาเกิดไปหรอครับือพิจารณาตั้งแต่คือพิจารณาหมดครับพิจารณา สภาพหลอกดาของเราไปด่าเจตนารวเราไปด่าคือเราต้องเอาที่เราตัวนี้กว่าคือตัวไหนที่เราติดอยู่เอาตัวนั้นก่อนเมื่อที่ติดอยู่ก่อนอตัวที่ไม่ติดมัมันไม่มันไม่มไม่ ไ, ม, ไ ม, ม่เป็นปัญหาคือพอพิจารณาแล้วก็ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นจริงจริงๆรงหมายความว่ามันไม่เที่ยงเป็นที่ยงไม่ใชของเราเราก็ปล่อยไม่ไปยึดไปถือไปติดนั่นก็คล้ายๆให้เรา สอ น, สอนใจในโปรแกรมในหัวอย่างเงี้ยเช่นภรรยาภรยารยาเราลูกเราก่อนเนี้ยภรรยาเราก็ไม่ใช่ของเราบันดีเกินดีเขาอยากจะเป็นภรรยาของคนอื่นเขาก็ไปถ้าเรารู้ล่วงหน้าเขาจะไปเราก็ถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ใช่เป็นของเราก็เราก็จะไม่ตกใจไม่เสียใจแต่ถ้าเราไม่รู้บันดีเกินดีเขาไปเป็นของคนอื่นใช่ลหมเขียนจดหมายทิ้งใบ by มันก็จะทุกมันไม่มันไม่มันอนิจจังมันไม่แน่นอนมันไม่ถาวรมันไม่คงเส้นคงวามันไม่เหมือนเดิมทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้แล้วให้เราให้เรามันท่านจดจําไว้ไงจดจำในใจแปลเวลาเห็นหน้าเมีเวลาเห็นหน้ามีเทนายก็บอกมันไม่ใช่ของเราเดี๋ยวก็ไปแหละต้องคิดอย่างนี้เรืย มันเห็นร่างกายก็รู้ว่าเติมไปก็แก่เลือมันก็ทุกอย่างอย่างนั้นปะทับไว้ในความอทรงจําไม่้มันเลยเปลี่ยนสัญญาจากทมนุษย์ทั่วไปคิดคิดว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเปลี่ยนนะให้มันเป็นนิจจังสุกขังนนอัตตากับทุกเรื่องถ้าเรื่องอาหารก็ต้องมองให้เห็นว่ามันไม่น่ากินถ้ามันคิดถึงอาหารแล้วมันคิดถึงอาหารที่น่ากินมันก็หิว ถ้าไปคิดถึงอาหารที่ไม่น่ากินมันก็กินไม่ลงอาหารที่กินเข้าไปในท้องนี่มันไม่คิดกันมันชอบไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานกันนึกภาพอาหารในจานแล้วหิวมไหมวันนั้นพยายามเดินอดอาหารเย็นกลงคืนเขาหิวก็ลองคิดถึงว่าคิดถึงอาหารที่อยู่ในท้องเนี่ยที่เราอาเจียนออกมาเนี่ยหรือที่มันเราถ่ายออกมาเนี่ยอย่าไปคิดถึงอาหารที่มันอยู่ในจานมันก็จะไม่หิว ทุกครั้งที่พี่หิวที่อดอาหารเราคิดถึงอาหารนี่ต้องไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในท้องอยู่ในปากอยู่ในลำไส้มันถึงจะไม่หิวคิดถึงทีไรแล้วมันกินไม่ลงเพียงแต่ว่าระวังถึงเวลากินก็อย่าไปคิดเดีย๋ยวมันจะกินไม่ลงถึงเวลากินก็ทําลืมมันไปเสียถ้ายังไม่ถึงเวลากินมันอยากจะกินก็ให้คิดแบบนี้ มันต้องคิดของตัวกันข้างเนี่ยที่จะทำให้เราไม่อยากเราอยากคนอยากชอบคนนั้นชอบคนนี้ก็ต้องไปคิดถึงส่วนที่ทำให้เราไม่ชอบเวลาเขาตายแล้วยังชอบอยู่ไหมเวลาภรรยาสามีตายนี่ยังจะเก็บไว้ที่บ้านนอนกับเขาต่อไปอ่ะ <c oughs> คนเดียวกันไม่ใช่เหรอยิ่งแต่ไม่หายใจยนี่พอ <c oughs> ไม่หายใจก็ไม่เอานล้ <c oughs>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 คนที่ฟังทมอย่างเดียวแล้วไม่มีสมาธิเองยังปล่อยไม่ได้หรือว่าทุกอย่างอนิจังทุกขังอนัตาแต่ก็ยังติดอยู่ถึงต้องมาฝึกวิธีปล่อยเวลานั่งสมาธิจิตรวมมันจะปล่อยทุกอย่างชั่วคราวเราก็จะได้ดูว่าออวการปล่อยมันดีเราก็จะยินดีที่จะปล่อยต่อไปตอนนี้เราไม่กล้าปล่อยเพราะเราไม่รู้ว่าปล่อยแล้วมันไม่มีอะไรมาทดแทน ป่อยแล้วหิวเหมือนคนที่ติดบุหรี่ถ้าเลิกบุหรี่แล้วมันทรมานแต่ถ้าเลิกบุหรี่แล้วไปเข้าสมาธิได้มันก็ไม่ทรมานยังต้องมาฝึกสมาธิกันปัญญาในฟังกันมาหูฉีกรู้ว่าทุกอย่างอันนี้จังทุกขังอนัตตารู้ว่าสุภะษรู้อะไรแต่พอเห็นปับ๊บเห็นกับข้าวกับปลาอาหารปั๊บหิวขึ้นมาทันที เห็นคนรูปร่างหน้าตาดีหน่อยก็อยากจะได้มาเป็นแฟนแต่เวลาเรานั่งสมาธินะท่านอาจารย์เนี่ยพอเราออกมาจากสมาธิปุ๊บบางทีแล้วก็เอาหนังสือธรรมะมาอ่านอะไรเงี้ยความรู้สึกของความสงบมันก็จะมันก็จะพลองไปสักใช่เพราะเราไม่ปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งไปทางกิเลสถ้าปรุงแต่งไปทางกิเลสทางตัณหามันก็จะ ร้อนขึ้นมามันจะวุ่นแต่ต้องอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมะตายรักกันซื้อธรรมะแล้วฟังยูทูปธรรมะนี่ยอะไรเงี้ยก็เป็นการเจริญปัญญาแต่เป็นการเจริญปัญญาของคนอื่นต่อไปเราคนจะพิจารณาด้วยตัวเราเองจะไดไม่ต้องไปอาศัยยูทูปไม่ต้องไปอาศัยอะไรเอาตอนต้นเรายังพิจารณาไม่เป็นก็เอา youtube เอาเท็จมาฟังก่อน อัต่อไปเราก็อามาคิดของเราเองคิดถึงร่างกายดูอาการสาสิบสองของร่างกายดูอะไรต่างๆเหล่านี้ดูอาหารที่อยู่ในท้องอยู่ในปากอยู่ในลำไส้อะไรอย่างเงี้ยแต่คสังเกตเวลามันมีนอะไรมากระทบใจมันปล่อยเร็วขึ้นใช่เพราะมันเนรื่องมีปัญญาเริ่มมีสมาธิมันปล่อยเร็วขึ้นวันนั้นขับรถไปปา ก, กับตามเสาเนี่ย ไม่งั้นมันจะต้องโมโหแหละออแต่เวลาสึกว่าเออเพราะมันมีรถมันก็ต้องชนไม่งั้นมันจะไปมียมาออะไรอย่างเงี้ยมันก็คล้ายๆโร่งมันไปว่าใช่ช่วงมาชนเพราะว่ามีรถไม่ชนมันเน้มันยอมรับอนิจจังเอยเมื่อก่อนมันไม่ยอมรับเมื่อก่อนออกเป็นเต้นเลยเดี๋ยวต่อไปมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็จะเฉยได้มันมันขึ้นกูแล้วดับเรื่องครับ แต่ฉันเรื่องแต่ว่าเรื่องไหนที่ไม่ได้เราก็จะปล่อยเร็วขึ้นเรื่องไหนที่เราลักเราห่วงก็ปล่อยยากเรื่องไหนที่เราไม่ค่อยลักไม่ค่อยห่วงก็ปล่อยง่ายถ้าได้ผลแนตะ่ที่ฟังท้องทีทแล้วก็นําไปปฏิบัติเนี่ยต้องปฏิบัติบ่บอยๆปฏบิบัติให้มากขึ้นทำรุ่งวันเนะใช่แต่มันระดับของการปฏิบัติระดับของการปล่อยมันยัง อย่างยังไม่ถึงขั้นที่ต้องพัฒนาขึ้นไปขั้นต่อไปก็ต้องถือศีลแปดดูแล้วปล่อยรูปเสียงกลิ่นรสไม่ดูไม่ไม่บันเทิงมหัศพเรื่องกินงานเลี้ยงงานสังสรรค์อะไรต่างๆเนี่ยปล่อยมันต้องปล่อยไปเลมันรืส่สงบ มันมีความสุขในจิตมากขึ้นได้แต่การที่ท่านสอนนะครอยู่กับความสงบเนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นความสุขอยู่แบบความสุขที่สูงสุดด้วยความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งปวกเพราะหนึ่งเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาความสุขอย่างอื่นนี้เป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาพอมันหายไปปรับความทุกข์ก็ตามมาทันที ไปเที่ยวกลับมาความสุขที่ได้ก็หายไปหมดความเหงาความว้าเหวก็ตามมาอยู่บ้านอยูอย่อยากไปอีกออกอยากออกอีกเคยดื่มอะไรเดี๋ยวพอหมดแล้วก็อยากจะดื่มอีกดูอะไรมันเป็นยาเสพติดทั้งหมดลูกเสียงกลียนลดต่างๆเนี่ยเป็นยาเสพติดทั้งแต่ว่าเราเมื่อมันติดกันทุกคนเราก็เลยออกกฎหมายห้ามไม่ได้<ม>ห้ามได้แต่เฉพาะบางอย่างที่ไม่ติดทุกคน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 มันก็เป็นมันก็ไ ป, ปติดไอ้กัรชานี่อีกติดยาอีก้วมันก็มีผลกระทบต่อร่างกายทีหลังเหมือนกับสูบบุหรี่นี่ไม่ใช่วิธีแก้วิธีแก้ต้องเริกเลิ่ความอยากต่างๆด้วยการฝึกสมาธิแทนเอาสมาธิเนี่ยเป็นวิธีแก้ที่ดีที่สุด ทำใจให้สงบแล้วความอยากหายไปความเครียดความกังวลความวุ่นวายใจต่างๆหายไปแล้วพอออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญารักษาความสงบนี้ต่อไปเวลาอยากไปทำอะไรก็บอกอยาไปทำทำแล้วเดี๋ยวเครียดอาจจะสุขเดี๋ยวเดียวสุขตอนต้นมันเป็นความสุขเคลือบความทุกข์เป็นเหมือนยาขมเคลือบน้ำตาล อย่าไปอมมันอมแล้วเดี๋ยวมันขมเดี๋ยวน้ำตามันละลายหมดแล้วก็ขมก็ต้องบ้วนทิ้งแล้วก็ไปหาเม็ดใหม่มาอ ม, ม, อมสู้อย่าไปอมมันดีกว่าอยู่กับความอยู่ความความไม่อยากดีกว่าถ้าไม่อยากแล้วใจก็จะกลับมาสงบจะสบายเหมือนเหมือนขณะที่นั่งอยู่ในสมาธิฉอาจารย์ตอนที่ที่ไม่อยากเลยนะครับแต่ว่าให้เรามีตัวรู้ว่รู้ว่ามันเกิดจะคิดพอเรารู้ว่าเป็นตัวว่าจะคิด เราก็ไม่ต้องคิดถ้าหยุดมันได้ถ้าหยุดมันได้ก็ดีแต่ว่ามันก็จะหยุดมันจะรู้มันแต่ถ้ามันไม่ปิดสมาธิมันก็จะไปมันจะหลงไปที่ที่ที่มันหยุดได้เขาพอมีสติแต่สติเนี่ยจะไม่หยุดมันอย่างถ้าวรความคิดพอเราเผลมสติปัดความคิดกระมเผงขึ้นมาถ้าอยากให้ความคิดไม่ดีหยุดคิดอย่างถาวอนต้องต้องมองว่าคิดแล้วนําไปสู่ความทุกข์มันก็จะไม่คิดต่อไป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 พอเห็นเรอยากได้ออกเป็นทุกข์ป่ะมันก็หยุดต่อไปมันก็จะไม่คิดแปลอยากได้สิ่งนั้นอีกต่อไปแต่ถ้ายังมันหลงคิดว่าเป็นสุขอยู่มันก็ยังอยากจะได้อยสมาธินี่สำคัญมากแต่ฟังด้วยฟังปัญญาอย่างเดียวเวลาจะใช้หยุดความอยากมันสู้ไม่ได้นรับคนที่ติดกาแฟติดบุลัยนี่ มันไม่มีกําลังที่จะสูรู้ว่าบุหรีไม่ดีรู้ว่ากาแฟไม่ดีรู้ว่าสุราไม่ดีแต่พอติดแล้วมันเลิกไม่ได้ไม่มีกําลังหยุดมัน <c oughs> ต้องมาฝึกนั่งสมาธิต้องอาศัยพุทโธก่อนหยุดความอยากก่อนหยุดความคิดหยุดความคิดนันก็จะหยุดความอยากได้พอเราไม่คิดถึงบุหรีเราก็ความอยากบุหรี่ก็จะไม่ผล่ขึ้นมาถ้าเราอยู่กับ พ, พุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆมันก็จะไปคิดถึงบุหรีไม่ได้ แล้วพอจิตสงบเราก็จะเห็นว่าเออไม่ได้สูกก็มีความสุขได้นี่ก็เลยพอมันอยากนี้ก็เลยเห็นโทษของความอยากว่าเนี่ยถ้าไปสูกก็เดี๋ยวก็ติดนั่งสูกอยู่เรื่อยๆก็ฝืนมันไปฝืนความอยากไปเรื่อยๆเดี๋ยวความอยากมันก็อ่อนกำลังลงไปทุกครั้งที่เราฝืนมันความอยากมันจะลดกำลังลงไปถไม่กี่ครั้งเดียวมันก็หายอยากไม่ผลขึ้นมา เเห็นด้วยปัญญาว่าเนี่ยไปไปไปไปสูบแ้นไปหาความทุกข์ไม่ได้ไปหาความสุขทุกทั้งทางสุขภาพร่างกายทุกทางสภาพจิตใจเวลาไม่ได้สูบมันงดเหยียดสูบมากๆร่างกายก็เจ็บไข้ได้ป่วยตายตายก่อนวัยอันควรค็ดด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์ แล้วมัก็จะถ้าเราเห็นว่ามันเป็นระเบิดลูกระเบิดเราจะเข้าไปเอาไหมทุกอย่างก็เป็นเหมือนลูกระเบิดเพียงแต่ว่ามันห่อไว้ในกระดาษของขวัญสวยงามเห็นก็อยากจะได้พอไปจับเข้ามันระเบิดตูมใส่เราเพียงแต่มันไม่ระเบิดทันทีทั้งใดใหม่ๆ ม, มันก็ให้เราหลงหลาคลัง่งลไปกับมันมีความสุขไปกับมันใหม่ๆ แล้วต่อไปเดี๋ยมันเริ่มกลายมันเปลี่ยนไปเรือมันเริ่มหายไปหรือหมดไปอันนั้นแนหะความทุกข์ก็โผล่ขึ้นมาแล้วเราถ้าพูดตามขั้นตอนมันก็ต้องปล่อยของง่ายก่อนแล้วก็ปล่อยของยากขึ้นไปของง่ายก็คือของนอกกายก่อนเช่นลาบยศสารเสรนรูปเสียงกลิ่นรสเนี้ยของนอกกาย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 อมันอยู่กับโลกกันอยู่กับมิติะมิติอ่ามิ dimension เนอะรย่าเ้ยแล้วเราแล้วมันมันมันชื่อมกันมันเชื่อมกันด้วยด้วยกระแสจิตที่ส่งมาเกาะตาหูจมูกเรืนกายก็ตัวกระแสจิตที่มาเกาดกับร่างกายเราเรียกว่าวิญญาณทั้ง5าจักรวิญญาณวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางลิ ทางทางทางจมูกทางลิ้นทางร่างกายเหมือนกับเราเอาสายหูฟังนี่ไปเสียบกับเครื่องเครื่องเครื่องโทรศัพท์นี่เราก็จะได้ฟังเสียงจากโทรศัพท์ได้เข้ามาในหูฟังเราแล้วนี้ถ้ารูปมันรูปไม่อยู่แล้วรูปรูปสลายไปหมดแล้วก็เลืองของตัวจิตหมายถึงร่างกายใช่ไหมใช่ก็ร่างกายก็มันก็ คนคนกับจิตไงจิตเพียงแต่มาใช้ร่างกายเป็นตัวไปรับข้อมูลต่างๆมาให้กับจิตอีกทีรับข้อมูลทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ส่งมาที่จิตจิต ม, มีมีสะพานเชื่อมตัวตัวเชื่อมระหว่างร่างกายกับจิตนี้เราเรียกว่าวิญญาณวิญญาณในขันห้า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณนี้จะเชื่อมไ ป, ไ ป, ไปเชื่อมกับตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสมีการ ม, มีการคอนเนคมีการเชื่อมต่อเขาเรียกสัมผัสใช่ <Yeah. S 1> พอตาสัมผัสกับรูปวิญญาณมันก็ส่งเข้ามาที่ใจ mm hmm. ใจมันก็ใชส้สัญญามาเช็คดูว่าเป็นรูปอะไรเคยมีอยู่ในข้อมูอมื การก็บข้อมูลไม่ไม่มีก็ต้องศึกษาหมายว่าเป็นรูปอะไรเป็นใครถ้ามีอยู่ในข้อมูลก็รู้ว่าอ๋อคนนี้รู้จักชื่อนายกรนายขออะไรก็ว่าไปแล้วพอสัญญาจําได้ว่าเป็นนายกรนายขอก็จําว่าเป็นเป็นพิษเป็นเป็นเพื่อนหรือเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูเป็นคนให้ความสุขหรือคนให้ความทุกข์ถ้าเป็นคนที่เอาความทุกข์มาให้ก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา เนอะไเงี้ยพอเห็นใจก็ไม่สบายแล้วเวทนาขึ้นมาแล้วทุกขเวทนาขึ้นมาสังขารก็ปรุงแลอยากจะนหนีแล้วลังขารก็จะปรุงไปทางความอยากอยากอยากได้หรืออยากไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดเป็นการทํางานของจิตแล้วเนี่ยร่างกายไม่เกี่ยวพอพอพอจิตได้ได้ข้อมูลมาจิตมันก็เริ่มมี มีโปรแกรมของมันทํางานทันทีนี่เราต้องมาแก้โปรแกรมใหม่ไงที่คุณบอกแก้สัญญาใหม่ไปเห็นว่ามันเป็นมั น, เ ป, นเป็นพิษเป็นภัยก็ก็ต้องยอมต้องสอนจิตว่าแล้วถ้ามันห้ามมันไม่ได้จะทํำยังไงมันเป็นพิษเป็นภัยก็ต้องยอมอย่างมากมันก็แค่ทําให้ร่างกายตายแต่จิตไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไม่ต้องไปกลัวมันไม่ต้องไปทุกข์กับมัน ถ้าไปเจอของที่ชอบก็อย่าไปอยากได้ได้แล้วเดี๋ยวติดเดี๋ยวเวลาไม่ได้มันก็เสียใจอีกอันนี้มาแก้โปรแกรมใหม่ถ้าโปรแกรมเก่าพอเห็นอะไรชอบก็วิ่งเข้าหาเลยลวเวลาเจอของที่ไม่ชอบก็วิ่งหนีเลยอันนี้เราต้องเปลี่ยนให้ใจอยู่เฉยเฉยไม่ไปวิ่งเข้าหาไม่ไปวิ่งหนีให้รู้เฉยเฉยมันก็เป็นอุเบกขได้่าได้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 แล้วเวลาได้เกิดขึ้นกับร่างกายร่างกายตายไปจิตมันไม่ได้อยู่ที่เดียวกับร่างกายมันก็ขาดการติดต่อท่านนั่นเองแล้วมันอยู่ที่ไหนเรไม่รู้หรอมันเป็นอีกมิติหนึ่งเราเรียกว่าโลกทิพย์ไงโลกทิพย์โลกทพโลกของดวงวิญญาณทั้งหลายโลกของดวงจิต ด, ดวงใจทั้งหลายลเราเียกว่าโลกทิพย์ถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่าไซต์ทิพย์เวิ The spiritual world นี่เราอยู่ใน physical world physical นั่นคือโลกธาตุธาสี่ดินน้ำลมไฟโลกนี้เป็นโลกธาตุทำมาจากดินน้ำลมไฟทุกอย่างร่างกายเราก็มาจากดินน้ำลมไฟต้นไม้กุติไม้เมอยของวนี้ก็ทำมาจากดินน้ำลมไฟเท่นั้นโดยอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นดินอย่างเดียว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 จิตนี้เป็นตัวรู้ธาตุรู้ก็อยู่ในอีกมิติหนึ่งอยู่คนละโลกกันโลกนี้ไม่มีรูปไม่มีร่างจึงไม่มีการเสือ่อมไม่มีการสลายโลกโลกทางทางสายเคิลทางทางวิญญาณโลกแห่งของวิญญาณนี้มันไม่มีรูปไม่มีร่างมันเลยไม่มีไม่มีเสือ่อมไม่มีสลาย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 โลภกรนหลงคิดไปในทางทาบาศมันก็ทําให้จิตร้อนขึ้นมาแล้วพอไปทํแล้วมันก็เกิดความร้อนขึ้นมาจริงๆเลยเวลาเราทําบุญเราเย็นไหมสบายไหมเวลาเราทําบาศ เ, เราร้อนไหมอันนั้นก็เป็นนรกในอกสวรรค์ในใจสวรรค์ในอกนรกในใจเนี่ยก็อยู่ในใจนี่แหละมันไม่ได้เป็นสถานที่มันเป็นสภาวะที่เกิดจากการกระทาของจิตเอง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 หาด้วยการทำบาปก็ได้หาด้วยการไม่ทำบาปก็ได้แล้วพอหามาได้มากคนบางคนก็มีใจดีก็เอาไปทำบุญก็บแบ่งบางคนใจไม่ดีใจหวงใจตันหนีก็ไม่ยอมไปทำบุญก็ไม่ได้ทำบุญก็ไม่ได้บุญตายไปก็ไม่ได้ไม่ได้สวรรค์ตายไปก็ได้ได้นรกได้อบายไป นี่คือเรื่องของใจใจมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาร้อนเย็นถ้ามันอยู่ช่วงที่กลางๆไม่ร้อนไม่เย็นก็เป็นช่วงที่มันจะได้มาได้ร่างกายมาเป็นมนุษย์พ อ, พอมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ใจมันก็ไม่ร้อนมันก็ไม่เย็นมันสลับกันไปขึ้นอยู่กับเวลาที่มันไปทำอะไรทำบุญมันก็เย็น ทำบามันก็ร้อนเหมือนกับเวลาที่เรานอนหลับนี่ยเราก็ฝันดีหรือฝันไม่ดีอันนั้นฝันดีก็บุญทาให้ฝันดีฝันไม่ดีก็บาปเนี่ยทำให้เราฝันไม่ดีแต่มันเป็นเป็นการเป็นผลชั่วคราวเพราะเดี๋ยวพอเตะขึ้นมามันก็หายไปแต่เดี๋ยวเวลาหลับหลับไปมันก็ฝันใหม่ พะเวลาไม่มีร่างกายมันก็ฝันยาวไปเลยไม่ใช่ไหมพอร่างกายตายไปมันก็ฝันยาวไปจนกว่าจะได้ร่างกายใหม่มันก็ตื่นก็ฝันร้ายก็ได้ฝันร้ายก็บาปพาไปฝันดีก็บุญผลิตให้มินกับบุญกับบาปเป็นผู้ผลิตฝันดีกับฝันร้าย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 ถ้าไม่มีร่างกายแล้วไปรอร่างกายใหม่ก็ไม่รู้จะได้ร่างกายใหม่เมื่อไหร่เวลานั้ น, นก็จะฝันยาวอาจจะเป็นร้อยปีพันปีก็ได้กว่าจะได้ร่างกายใหม่หรืออาจจะไม่กี่ไม่กี่วันก็ได้คนบางคนหนึ่งประลึกชาติจาที่ได้ mm hmm. เด็กบางคนเกิดมาจาได้ว่าเคยอยู่บ้านนู้นเคยอยู่บ้านนี้แสดงว่านี่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 เรามาหยุด ต, ตัวที่จะทำให้เราต้องมา ม, ม, มีร่างกายตัวที่มาทำให้เรามีร่างกายอยู่ได้เพราความอยากสาประการอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากอยากมีอยากเป็นอยากได้ลาบยศสรรเสริญแล้วก็อยากไม่เสียลาบยศสรรเสริญไม่ไม่เสียร่างกายความอยากไม่เสียก็เรียกวิภาวะตัณหา ความอยากได้ก็เรียกว่าภาวะตัณหาสามตัวนี้ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสกามะตัณหาสําหรับพระอนาคามีนี่ท่านตัดความอยากในกามะตัณหาได้ท่านไม่ต้องกลับมามีร่างกายแต่ท่านยังอยากมีอยากเป็นยังยังมีอัตตาตัวตนอยู่ก็เลยพาให้ท่านไปเกิดเป็นพรหมแทนพระอาหารหันตัดความอยาก มีอยากเป็นได้ทุกอย่างหมดมก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในภพต่างๆ<ม>คนที่ถึงนิพพานก็ไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ตายไปไหนพระอุทธเจ้าบอกนิบานังปรามังสุญยังนี้ไม่ได้หม า, ายเข า, าว่าสูญคนมาแปลว่าพอถึงนิพพานก็ศูนย์หมดเพรานั้นปฏิบัติไปทำไให้มันศูนญ<ม>คำว่าสูญก็คือศูนย์จากภพชาติศูนย์จากความอยากต่างๆ ในจิตของคนนั้นไม่มีความอยากเลยไม่มีกิเลสตัณหาแล้วจิตบริสุทธิ์ศูนย์เหมือนเสื้อผ้าที่เราซักเนี่ยมันสะอาดบริสุทธิ์ใช่ไหมเพราะเรากําจัดคราบสกรปรกไปหมดศูนย์จากคราบสกรปรกไปหมดแต่เสื้อผ้าไม่ศูนย์ใช่ไหมไม่ใช่เอาเสื้อผ้าไปซักพอมันสะอาดปั๊บมันก็หายไปหมดเลยยังไปซักทำไมใช่ไหมใส่เสื้อผ้าเก่ายังดีกว่าไม่ไม่มีเสื้อผ้าใส่ จิตมันไม่มีวันตายอยู่แล้วมันไม่มีวันศูนย์อยู่แล้วอันที่ศูนย์ก็คือโมหะตัณหากิเลสอวิชชาต่างๆที่มีอยู่ในจิต ใ, ในใจเนี่ยตันนี้ศูนย์พระอาหารหันต์นี้ไม่มีโรคกรดหนงไม่มีตัณหาไม่มีอาสาวะไม่มีอะไรทั้งนั้นของที่จะมาทำให้จิตใจมันทุกข์ไม่มีในใจของพระอาหารหันต์ทั้งปวงเข้าใจไหมท่านยังไม่มีความทุกข์กัน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 ที่ทําให้เกิดโรคจิตกันขึ้นมาคนที่มีโรคจิตก็เพราะความโลภโกรธหลงนี่แหละไม่ใช่เป็นอะไรหรอกที่เครียดกันทุกข์กันวุ่นวายใจกันก็จากความโลภโกรธหลงเกิดจากความอยา ก, กต่างๆพอเรากินยาธรรมโอสถเข้าไปศีล ส, สมาธิปัญญาเข้าไปมันก็ฆ่าพวกเชื้อโรคทั้งหมดจนจิตก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาว่างจากเชื้อโรคนิ บ, บานางังปรมังสุญยัง ไม่มีเชื้อโรคอยู่ในจิตนี้แล้วศูนย์คาว่าศูนย์นี่ไม่ใช่ว่าจิตศูนย์กิเลศสศูนย์แต่คนไม่ปฏิบัติไม่ไปแปลไปคนละเรื่องไปโอราพ่อที่เขาเรียกเหมือ <c oughs> นข่าวสารเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรว่าคนนน้นคนนี้กันพอไปตรวจสอบข้อมูลจริงๆคนละเรื่องกันคนเรามันชอบเหมาว่าไปก่อนแล้วใช่ไหมเห็นเหตุการณ์อะไรนี้ก็ ว่าไปแล้วเ ป, นนเป็นนู่นเป็นนี่พอเจ้าหน้าที่ตำรวจ้ามา ต, ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานดูอ้าวมันคนละเรื่องกันนะอันนี้คนที่ไม่ปฏิบัติพออ่านหนังสือธรรมะแล้วมันก็จะโอลพ่อกันนะแล้ว้องทีมพออ่านเข้าใจแล้วคึ้นมาบรร ล, แลุแล้วอ้าวเข้าใจแล้วความทุกข์เกิดจากความอยากตอไปนี้เราไม่อยากได้อะไรแล้ว ตอนที่นั่งนี่มันไม่มีความอยากใช่มันก็พูดได้พอเกิดความอยากมันก็ลืมไปไม่ยอมคิดว่าตอนนี้เรากำลังอยากพออยากจะไปกินอะไรก็อ้างว่ามันเป็นของจำเป็นต้องกินนะ mm hmm. การกินนี่มันกินสองแบบกินด้วยความอยากก็ได้กินด้วยความจำเป็นก็ได้กินแบบกินยาก็ได้ mm hmm. กินแบบความอยากก็ได้หลวงพ่อเขเวลาพ่อราหันนะนะพาระลรหัน mm hmm. ที่บอกว่า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 ไม่มีความอยากมันก็ไม่มีความโกรธจริคนที่มันไม่เกิดอ่เพราะคุณเวลาคุณโกรธเพราะคุณอยากได้อะไรใช่ไหมนะเพราะไม่ได้คุณก็โกรธใช่ไหมได้นะต้องไปสั่งก๋วยเตีย๋ยวเราเด็กมันเอาเข้าต้มมาให้กินเดีจะโกรธไหกูไม่ได้สั่งแค่น่อย <c oughs> กูอยากกินก๋วยเตีย๋ยวมึงเอาข้าต้มมาให้กูกินนี่มันก็โกรธขึ้นมาแต่ถ้าเป็นผ้าร้านเนีาน่ายข้าวต้มก็ได้ไม่ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวกูกินข้าวต้มก็ได้ แปล ว, ว่าความอยากไม่เกิดเมื่อความอยากไม่เกิดกิเลสก็ไม่เกิดก็คือเลยก็คือความอยาก น, น, นะความอยากที่มันทำให้มีลูกตามมาไงความโกรธนี่เป็นลูกของความอยาก <ส milhões S 1> แล้วพ่อของความอยากก็คือความหลง<ต> <scalable> พ่อของความอยากก็คือความหลงการหลงที่เห็นว่าเป็นสุขไม่ที่เห็นเป็นนิจจังสุ ข, ข, ขังอัตตาพอมีปัญญามันก็จะเห็นว่าเป็นนิจจังทุก ข, ข, ขังอัตตา พอคุณเห็นว่าทุกอย่างเป็นลูกระเบิดคุณอยากจะไปได้หรือเปล่าก็ท่านนั้นเขาให้มันเห็นว่ามันเป็นลูกระเบิดเป็นยาพิษแต่เราไม่เห็นเรากลับไปเห็นว่ามันเป็นขนมอเป็นของน่ากินมันก็เลยอยากได้กันพอได้มาแล้วก็ร้องห่มร้องไห้างกันใช่ไหมเวลาที่มันเปลี่ยนไปเวลาที่มันจากเราไปไม่ไม่เห็นตอนนี้ไงเห็นคิดว่าได้มาแล้วจะอยู่กับเราเหมือนกับวันแรกที่เราได้มันมา เราไม่ศึกษาความจริงกันเราปล่อยให้ความหลงหลอกสร้างจิสร้างภาพหลอกเราว่าโอ้ได้สิ่งนี้มาแล้วจะสบายจะสุขจะได้ตำแหน่งนี้แล้วโอ้มีหน้ามีตามีอะไรก็ว่าไปไแล้วเดี๋ยวก็มาเครียดกับตำแหน่งนั้นเลยเครียดกับการดูแลรักษาเครียดกับภาระกิจหน้าที่การงานที่เป็นมากับตำแหน่งนั้นใช่ไหย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 ต้องใช้ปัญญาต้องศึกษาต้องพิจารณาคิดอยู่ได้เรื่อยถึงตับไตไส้พุงอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันก็จะได้เห็นความจริงมันก็จะหายหลงหายอยากคือพอหายหลงมันก็หายอยากพอไม่มีอยากมันก็จะไม่ทุกข์ทุกข์ไม่มันจะไม่โกรธมันจะไปโกรธอะไรไม่ต้องการอะไรจากใครจะไปโกรธเขาทำไม ที่เราโกรธคนนั้นคนนี้เพราะเราต้องการมาจากาเขาทั้งอย่างนี่ไหมพอเขาไม่ทำตามที่เราอยากเราก็โกรธเขาเบียดเขา <S <S จะหยุดตัวนี้ได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนแล้วก็มีปัญญารักษาสมาธิรักษาความไม่อยากไว้เวลาจิตสงบนี่มันจะอยู่กลางมันจะไม่มีความอยากไม่มีความโลภโกรธห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 เราไม่ต้องเหยียบเบรกคนที่ยังไม่ได้มีอุเบกขาเราพยายามทําตัวเองเป็นอุเบกขาก็อย่างเงี้ยเวลาใครดา่าเราก็พยายามเฉยเฉยเฉยเฉยไคนข้างในนี่มันผุดผุดขึ้นมามันไ ม, มนัวจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ <c oughs> นั่นนะ่ะมันมันเขาเรียกอุเบกขาปลอมไงมัน <c oughs> ไม่ใช่อุเบกขาจริงเวลาเห็นอะไรอยากจะได้าก็พยายามบางังคับว่าอย่าไอ้นี่มันก็ยังอุเบกขาปลอมอยู่ มันต้องอดเบียขาจริงมันต้องเฉยจริงๆเห็นอะไรก็ไม่อยากได้เห็นอะไรก็ไม่ชงังไม่กลวัวจริงๆมันต้องเป็นสมาธิมัน้กงทำได้สมาธิจิตต้องรวมจิตต้องสงบนิ่งหยุดความคิดปรุงแต่งทั้งหมดแล้วมันก็จะว่างเป็นกลางสักแต่ว่ารู้ได้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 ถ้าอยากจะตัดความอยากอย่างแท้จริงก็ต้องใช้ปัญญาว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเป็นโทษเป็นภัยกับจิตใจนี่แสดงว่าต้องนั่งสมาธิจนจิตเริ่มจะเป็นเบกขาต้องเป็นต้องเป็นไม่ใช่เริ่มไม่เริต้องเป็นแล้วเป็นบ่อยๆเป็นนานๆจนกระทั่งเวลาออกมานี่มันยังเป็นต่อได้ยาวแล้วจะเป็นเบิกขาจาเป็นต้องเป็น ต้องต้องเป็นอปนาสมาธิไม่ไม่จําเป็น ต, ต้องจําเป็นเนี่มันจะเป็นมันก็ไม่เป็นอุเบกขาอัปนาสมาธิถึงจยเป็นเนี่ยฌานต้องฌานสี่ฌานหนึ่งฌานสองฌานสามยังไม่ถึงอุเบกขาต้องฌานที่สี่มันถึงจะถึงอุเบกขาฌานที่หนึ่งยังมีวิตกวิจารอยู่มีปิติมีสุขอะไรอยู่แต่ยังไม่มีอุเบกขามันจะไปมีอุเบกขาที่ฌานที่สี่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 มันยากไม่ต้องใจถึงไม่เห็นยากเลยพูดโธพูดโธไปวันทั้งวันอย่าไปคิดอะไรนะคุณนั่งคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ทั้งวันแต่ให้คิดพูดโธกับคิดไม่ได้กันลองคิดพูดโธดูสังวันดูสิไม่ต้อไปคิดอะไรเดี๋ยวก็นั่งปุ๊บกระรวมนะห้านาทีสิบนาทีก็รวมได้ถ้าจิตมันอยู่กับพูดโธรอย่างเดียวมันไม่ไปคิดอะไรมันง่ายผู้ตามทฤษฎีมันจะไปยากอะไรคิดพูดโธแค่ห้านาทีสิบนาที อย่างต่อเนื่องไม่ไปแวะไปคิดเรื่องอื่นเลยแต่มไม่ทำกันมันชอบคิดเรื่องอื่นกันเพราะ้พุโทโธอยู่สักสองสามวินาทีก็เบื่อแล้วแต่ถ้าฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆมันจะเกิดความมุ่มานนะกูต้องลองดูให้ได้ว่าแค่ห้านาทีทามันไม่ได้วะ่ะแค่พุโทโธแค่ห้านาทีเนี่ย ถ้ามีมู้นานจริงๆไม่นานมันก็ได้เราถ้ามีความตั้งใจขนาดภูเขาหิมาลัยก็ยังปีนขึ้นไปได้ยอดภูเขาเอเวอเรสต์นี่ก็ยังขึ้นไปได้ยากกว่าพุโทโธห้านาทีนะทํามทำไมจะทำไม่ได้เพียงแต่มันไม่เห็นคุณค่าเนะี่ยมันไม่รู้ว่ามันวิเศษขนาดไหนที่เวลาจิตรวมเป็นยังไงไม่พุโทโธก็ได้ดูลมอย่างเดียวห้านาทีเนะี่ยไม่ให้ไปคิดอะไรเลย ดูเข้าดูออกดูเข้าดูออกแค่นี้มันมันต้องเหมือนจะตกหลุมอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ตกหลุมอ่อตกหลุมมันก็เข้าไปในอัปนาแล้วล่ะเอาไม่ทํำดูดิแต่โลกนี้เขานั่งสมาธิแต่มันมันไม่เห็นจะอัปปนาทุกทีก็มันนั่งคิดมันไม่นั่งพุทโธนั่งนั่นต้องหยุดคิดเลยมันก็นั่งแบบ ลมหายใจเข้าออกบางคนลองนั่งหลับตาดูลมตอนนี้ดูสิคุณไม่คิดได้ไมนสั่นาทีอย่างเงี้ยดูลมอย่างเดียวอ่ะฮะ ไ, ได้ได้เลยคิดอะไรล้างแน่ใจล้าง <c oughs> เรากลับไปทำที่บ้านอยู่อยากคิดดูมันเริ่มมันคือ มันคล้ายๆสมัยก่อนมันจะทําไม่ได้แต่เพราผมทํำบ่อยๆมันจะเริ่มมันก็ใชยมันเหมือนเราต้องฝึกครับแรกๆเลยไม่ได้ได้ทำไปถ้ามันทําไม่เรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ได้แล้วก็จะก็จะก็จะก้าวหน้าถ้าจิตมันเริ่มรู้แล้ทีนี้ก็เริ่มใช้ปัญญาได้แล้วใช้ปัญญาเวลามันจะออกจากอุเบกขา้วก็มันดึงมันกลับเข้ามา แต่แต่สําหรับผู้ปฏิบัติใหม่ครับอาจารย์ก็ต้องใช้การข่มจิตเพื่อให้เป็นอุเบกขาอยู่ดีไม่ใช่คอาจารตอนแรกครับก็พุทโธไงพุทโธมัพุทโธข่มจิตอยู่แล้วไงลอยพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดอะไรมันไม่ยอมพุทโธกันเลยแต่พอทําไปสักระยะหนึ่งพอเริ่มชานาญเนี่ยคราวนี้ปัญญาตัดเองอันตโนมัติไม่ต้องทำอะไรเลยต่อไปถ้าปัญญาเห็นอะไรก็ทุกเห็นว่าเป็นทุกข์ปั๊บมันก็ไม่อยากได้นะ ก็ยังเห็นว่าเป็นสุขไป็นงอย่างย า, ยากยากอยเช่นอยากถ่ายรูปนี่ยมันก็ถ่ายไปแนละ้เดี๋ยวเดี๋ยวรูปที่ถ่ายมาก้กี่หมืรูปก็หายไปหมดยังไม่ทุกอย่างยังไม่เห็นทุกอย่าถ่ายใหมอ่อันนี้โจกสําหรับคนที่รู้เรื่องคนที่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ อจะให้พรก่อนนะหมดช่วงแรกนะแล้วถือใครอยากจะไปก็จะได้ไปได้ใครอยากจะถามอะไรอีกไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางบ้านเขาถามเข้ามาตอนนี้ก็ถ่ายทอดไปทั่วโลกลยอินเทอร์เน็ตยังนี่ไปถึงทุกแห่งทุกคน มาจากสวิตเซอร์แลนด์วนญี่ปุ่นลูกสิษลูกหาเต็มไปหมดเลยกินพีพ่ลวงพอปุถึงยังพึ่งยังพึ่งไม่จบดีว่าอยากกินเนี่ยมันเกิดจากความอยากเนอะไรอ่ามันคือกินเนี่ยมันกินได้สองอย่างกินด้วยความอยากพอคิดถึงอาหารก็อยากกินขึ้นมาทั้งทั้งที่ร่างกายมันมั น, ม, นมันเต็มที่แล้วอันนี้กินด้วยความอยาก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 วิธีที่แก้ความอยากกินก็ต้องเวลาอยากกินให้คิดถึงอาหารที่มันอยู่ในท้องอยู่ในลาไส้เวลามันขับถ่ายออกมาแล้วมันน่า ก, กินไหมถ้าเห็นภาพของอาหารแบบนั้นมันก็จะไม่อยากกินมันก็จะห้ามใจได้ห้ามความอยากได้คนที่ถือศีลแปดเนี่ยไม่ให้กินข้าวเย็นถ้าเวลา ตอนเ ย, ยวตอนยังหิวกาคิดถึงอาหารที่อยู่ในท้องอยู่ในปากอยู่ในลำไส้มันก็จะหายหิวดีมันจะมีกำลังคิดหรือเปล่าเพราะมันสู้กาลังคิดไปทางไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิมันสู้ไม่ได้เพราะความกำลังคิดของกิเลสมันจะแรงกว่าแต่ถ้าเรามีสมาธินี่ถ้าเราเท่ากับเราไปเหมือนก็ไปโชคกิเลสให้มันนับแปดนี้ นนับแมันลุกขึ้นมามันก็โซเซโซเซมันจะไม่มีเรี่ยวมีแรงเหมือนกับตอนที่ไม่ได้ถูกนับ8การที่เราเข้าสมาธิก็เพื่อไปต่อยให้กิเลสมันล้มให้มันนับ8แล้วมันก็จะได้มีกำลังสู้กันได้พอสูสีแต่ถ้ามันยังไม่ล้มนี่กำลังมันมากกว่าเราจะให้เรามาคิดทางนิจจังสุขขังอัตตามันไม่ยอมคิดหรอกจะให้มาคิดถึงสุภะไม่คิดหรอกมันจะคิดแต่ ที่มันเคยคิดเนี่ยดังจึงจาเป็นต้องมีสมาธิก่อนถึงจะสามารถที่จะดึงความคิดนี้ไปคิดในทางปัญญาได้ตอนนี้กิเลสมั น, ม, นมัน take over ความคิดของเราพูดง่ายๆอยู่ดีๆเราจะไปขอคืนมาไม่อยอมไม่คืนเราต้องไปต่อยมันให้มันล้มนะแล้วก็ค่อยดึงกลับมาคืนได้ถึงต้องมีสมาธิก่อนเนี่ย สมาธิแล้วก็ปัญญาแต่ปัญญาก็ฟังได้แต่ไม่ได้เป็นปัญญาที่ค่ากิเลสเป็นปัญญาที่จะเป็นกัญญาปัญญ า, ญญาเริ่มต้นนะต้องฟังก่อนถึงจะได้รู้ว่าปัญญารู้ว่าอะไรเป็นปัญญาเมื่อรู้แล้วก็เอามาจเจริญอยู่เรื่อยๆควบคู่ไปกับการ น, นั่งสมาธิเพอมันจ ะ, จะเจริญไม่ได้ พอฟังเทศเนี่ฟังได้เดี๋ยวพอออกไปจากนี้ปั๊บเดี๋ยวเรื่องอื่นเข้ามาแล้วเดี๋ยวคนนั้นโทรมาคนนี้โทรมาไปเรื่องอื่นแล้วปัญญาต่างๆที่ให้คิดหายไปหมดแล้วนั่นที่จะคิดไปทางปัญญาได้ในขั้นต้นต้องหยุดความคิดทางอื่นก่อนต้องไปปีกวิเวกต้องไม่ไปรับรู้เรื่องทางอื่นคนที่จะได้สร้างปัญญาสร้างสมาธิต้องไปปีกวเวก เพื่อจะได้หยุดความคิดทางโลกทางธุรกิจทางอะไรต่างๆแล้วพอมาอยู่คนเดียวก็ดึงมันให้หยุดคิดพอหยุดคิดได้แล้ว้นตอก็สั่งให้มันคิดไปในทางปัญญาได้ในเวลาขับรถ จ, จะเลี้ยวกลับถ้าไปทางนี้จะกลับไปกลับอีกทางแล้วก็หยุดรถก่อนแล้วก็หันรถกลับไปอีกทางนึ่งถ้าวิ่งไปเรื่อยๆมันก็กลับรถไม่ได้ นอกจากสมัยนี้เขามียูเทิร์นแล้วอย่างงี้ก็ไปอย่างแต่ถ้าเป็นถนนที่เราจะไม่มีถ้าเราจะเลี้ยวกลับเราก็ต้องหยุดก่อนหยุดรถแล้วก็หักมันกลับไปอีกทางหนึ่งความคิดเราก็เหมือนรถแต่มันวิ่งไปทางหนึ่งเราอยากใช้มันไปอีกทางนึงก็ต้องหยุดความคิดก่อนพอหยุดได้แล้วเราก็สั่งให้มันคิดไปอีกทางหนึ่งได้คิดไปทางอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาได้คิดไปในทางอรสุภะได้ ถ้ามันยังคิดอยู่ในเรื่องนิจจังสุขขังอัตตาเรื่องหาเงินหาทองหาความสุขทางตาหูจมูกเลี้ยงกายอยู่นี่มันไม่คิดหรอกคนคนที่เขาคิดอย่างนี้เขาถึงไม่เข้าวัดกันไงเข้าวัดไม่ได้เพราะความคิดมันจะเบาะให้ไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆให้ไปหาเงินอยู่เรื่อยๆมันต้องไปเจออุบัติเหตุไปเจอความทุกข์จนเกิดไปสูญเสียอะไรเข้าทีนี้ก็อาจจะ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 เพื่อที่จะทาให้เราเห็นทุกข์เห็นเห็นว่าโลกนี้มันเป็นความทุกข์สูญเสียสิ่งที่เรารักไปสูญเสียตําแหน่งหรือสูญเสียเงินทองไปมันก็จะทําให้เราไปเกิดความทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรจะดับได้นอกจากไปวัดเทนะ่านั้นไปวัดที่มีธรรมไปหาธรรมถ้าไปพึ่งธรรมแล้วสามารถเอาธรรมเข้าสู่ใจได้ก็จะช่วยได้ เมียลูกเสร็จคนหนึ่งเขาก็ทุกมากเมียมียจะจะจะหย่าจะเลิกไม่ยอมอยู่ด้วยแต่ตัวเองก็ยังรักยังห่วงนี่แะต่ก็ทํางไงก็ขอร้องเขาไงเขาก็ไม่ยอมเขาจะไปก็เลยไม่รู้จะทางไงก็เลยมาขออยู่วัดก็มาฟังเทศฟังธรรมมาฝึกนั่งสมาธิอยู่หลายเดือนจนกระทั่งหายทำใจได้แล้วอหายทุกข์แล้ว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 แต่ถ้าเขามานั่งสมาธิได้แล้นอนนั้นเขไม่กลับไปลนะบวชเลดีกว่าจิตสงบแล้วมันไม่มันมันไม่อยากได้อะไรลนะความสุขที่ได้จากการสงบนี้มันดีกว่ามันไม่มีความทุกข์ตามมาแต่ถ้าไม่มีความสงบมันใจ ก, ก็ยังหิวอยู่นี่มันก็เอาถึงแม้จะเป็นเรื่องเดียวกันแต่หวังว่าคงจะไม่ไม่ซ้ํารอยหวังว่าประวัติศาสตร์เขาไม่ซ้ํารอย <c oughs> หรือถ้าซ้ำรอยก็อาจจะทำใจได้ก็มังเพราะเคย <c oughs> เคยทำใจมาแล้วก็ได้คนเราถ้ามันมันเจ็บครั้งหนึ่งแล้วมันอาจจะไม่เจ็บซ้ทำซ้อนก็ได้เึง <c oughs> แต่ว่ามันยังเลิกไม่ได้มันยังอดไม่ได้ก็เอาตอานนี้เอาก่อนแล้วถ้าเกิดเลิกกันก็อาจจะไม่หนักหนาเหมือนครั้งแรกแต่ถ้าบ่อยๆเข้ามันอาจจะเบื่อได้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 กลับเรียนถามอาจารย์นะคะถ้าเกิเราภาวนาไปเรื่อยๆแล้วแล้วมันมีอื่นแทรกเข้ามาก็อย่าไปสนใจอย่าไปอย่าไปสนใจก็อยู่กับพุทโธไปอยู่มันมีเทคนิคให้มันยังคงอยู่กับพุทโธไหมคะนอกจากคีธีแล้วอะก็แล้วแต่เราลองค้นหาดูเลยแต่ละคนก็ต้องหาเทคนิคของตัวเองก็สําคัญก็อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปสนใจมันมันมาชวนคุยก็อย่าไปคุยกับมัน คุยกับพุทธโธพุทธโธไปอ้านะมนมีอะไรที่เราจะต้องจดต้องจํามากขึ้นนะลองนับไปด้วยก็ได้พุทธโธหนึ่งพุทธโธสองพุทธโธ3าถ้ามันพุทธโธพุทโธไปเรื่อยเมันจะเป็นอัตโนมัติไปนะมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่จดจอ่อแต่ถ้ามันต้องนับมันจะต้องจดจอนะอ่อหนึ่งแล้วนะสแล้วนะสามแล้วนะสี่แล้วนะก็ไนดะ้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 สิ่งที่เราทำอยู่ว่าเราทำได้มากน้อยเพียงไรมีน้ำหนักมากน้อยเพียงไรมันเป็นอัตโนมัติมันไม่ได้เป็นแบบที่เราจะต้องมาตั้งขอนูน่นขอนี่หรอกมันขอไม่ได้คำถามจากคุณจันยานะครับลมหยาบ ก, กับลมละเอียดเป็นอย่างไรเจ้าค ะ, ะเวลาหายใจใหม่ๆมันก็มันก็หยาบมันแรงเนี่ย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 ที่พยายามอธิบายที่ไม่พยายามอธิบายให้คนอื่นรู้มันก็แล้วแต่เราอ่ะมันเป็นเรื่องของเราเรารู้ของตัวเราเราก็พอแล้วคนอื่นก็ไม่รู้ก็เรื่องของเขาใช่ไหมคนทั้งโลกยังเยอะแยะที่ก็ไม่รู้แห็นมีปัญหาเลยใช่ไหมอย่าง น, นก็ต้องแบบอธิบายให้คนทุกคนในโลกนี้เจอใครก็ต้องเขาอธิบายว่าฉันเป็นอย่างนี้นะทําไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคุณก็ตายทั้งนั้นแนหะ ถ้าคุณมัวแต่จะมาคออธิบายให้คนอื่นเขาฟังนอกจากว่าเข้ามาถามก็มีโอกาส ก, ก็อธิบายก็ฟังได้เช่นเขาได้ยินได้ฟังว่าเธอเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ไม่แน่ใจเขาก็มาถามเราเราก็ที่บายไปแต่ถ้าคุณเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจจะฟังคำอธิบายของเราก็อยากไปเสียเวลาที่บายเขาจะคิดยังไงมันก็ห้ามขเขาไม่ได้อย่างมากเขาก็ไม่ชอบเราเกลียดเราก็ไม่คบค้าสมาคมกับเราก็เถานั้นเอง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 ได้ก็เหมือนขับรถใต้ทางด่วนกับบนทางด่วนถ้าขับรถใต้ทางด่วนมันก็มีสี่แยกมีรถติ ด, ดรถเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวารถกลับรถมันก็วิ่งไปตะกุกตะกัดไปแต่ถ้าอยู่บนทางด่วนมันก็วิ่งไปรวดเรยวก็ถึงเห็นถ้าอยากจะปฏิบัติก็ต้องไปบวชขึ้นการบวชนี่เป็นการขึ้นทางด่วนไม่มีเรื่องอะไรต้องมายุ่ง แต่ถ้ายังต้องทำงานต้องเลี้ยงครอบครัวต้องมีอะไรต่างๆนี่มันก็มีเรื่องที่จะทำให้ปฏิบัติไม่ได้อย่างต่อเนื่องคำถามจากคุณณโมนะครับสังคมที่อิจฉาริษยาเบียดเบียนกันแกล้งกันให้วางใจอย่างไรเจ้าคะกับคนที่ชอบกันแกล้งแทงข้างหลังอ๋อเป็่เรื่องธรรมดาของโลก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 คำถามจากคุณฝนนะครับข้อที่1ถ้าเราผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเผื่อคิดว่าลูกเราจะแขนงขาดจะเกิดไหมคะเหมือนแม่แช่งลูกหรือเปล่าแต่ไม่ได้ตั้งใจก็ลองพิสูจน์ดูเลลองดูว่ามีเกิดจริงหรือเปล่าข้อที่สองมีคนถือน้ำพระหรือถวายอาหารเราเผื่อคิดเหมือนเดิมว่าลูกเราจะโดนรถชน จะเกิดไหมคะอะไรจะเกิดมันก็เกิดถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่เกิดมันไม่ได้อยู่ที่เราคิดแล้วไม่คิดหรอกถ้าคิดว่าเรารวยมันก็ต้องรวยแตว่าใช่ไหมที่ว่าเดี๋ยวต้องถูกงวั น, นี้ต้องถูกรวันที่หนึ่งแล้วว่าู้สิมมันจะเกิดไหมถ้ามันเกิดก็ความคิดของเราก็วิเศษนะสามารถสั่งาให้เกิดอะไรได้ทุกอย่างอาการอย่างนี้ใช่ฟุ้งร้ า, หรานหครับอาจารย์ มันโง่เขาเบาปัญญามันไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ยฟุ้ง่านไม่มีไม่มีสติไม่มีปัญญาคิดตามหลักเหตุหลักผลไม่เป็นไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุไม่รู้ว่าอะไรเป็นผลคำถามจากคุณรัศมีการนั่งสมาธิจิตรวมแล้วต้องทำ <c oughs> อย่างไรต่อครับก็ให้มันรวมมันนานนักรวมบ่อย จนชำานาญสามารถรวมได้ทุกเวลาที่เราต้องการเวลาทุก์กับอะไรก็ไปนั่งสมาธิรวมปั๊บมันก็หายทุกข์พอเราชำานาญทางสมาธิแล้วขั้นต่อไปก็หัดมาใช้ปัญญาก็ือจะได้ไม่ต้องเข้าสมาธิใช้ปัญญาดับความทุกข์ได้เลยคำถามจ้าคุณปลายฟ้า <c oughs> คุณพ่อเริ่มยอมฟังธรรมเริ่มสนใจหาอ่านจากที่ลูกๆแปะ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 การที่ยังมียังมามาสอนศิษย์อยู่เนี่ยครับมันทําไมท่านถึงยังมาครับทําไมมันอาจจะเป็นกรณีพิเศษมัน้นอาจจะมีความผูกพันกันมาในอดีตชาติกลยมีบุญมีคุณต่อกันเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไปหาแม่ในสวรรค์พราคิดถึงแม่รักความรักแม่อยากจะช่วยเหลือแม่สมมติว่าคุณต่อกันเรามีบุญคุณกันเกิด เราไปเป็นผ้าอาหารตายไปเราอาจจะทรงจิตมาหาไปเฉพาะคนอันนี้เฉพาะบุคคลไม่ได uh> ้แบบทั่วไปต้องมีความผูกพันกันเป็นกรณีพิเศษหลวงปู่ม่านท่านบอกเวลาท่านนั่งสมาธิถ้ามีพระอรหันต์มีพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมแสดงว่าชาติก่อนท่านอาจจะมีอะไรกันมาอาจจะเป็นพ่อลูกกันมาหรือมีความมีบุญมีคุณกันมาก็ได้